ป, ปีใหม่นะครับปีใหม่นะครับอย่างที่ผู้อุปกครองก่อศากอิชฟอสคได้มีการได้บอกไปนะครับเราทุกคนก็มีความตั้งใจใหม่นะที่อยากจะทําอะไรบางอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายคนมีโอกาสได้ทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมานะครับบางคนก็มีโอกาสได้ประเมินชีวิตนะครับบางคนก็มีโอกาสได้ประเมินผลงานนะครับซึ่งผลที่ออกมาบางคนก็เสียใจครับบางคนก็ผิดหวังแต่บางคนก็จะอาจจะมี ความพึงพอใจนะครับหรือบางคนก็อาจจะสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ในใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะเรามีความตั้งใจครับสิ่งที่ไม่ดีเราไม่อยากกระทำเราตั้งใจจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีให้สิ่งที่เราทำนั้นมีคุณค่าเพื่อที่จะทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกดีใจไปกับเราด้วยนะครับทาให้คนที่เรารักรู้สึกเป็นที่ชื่นชมของเขานะครับและเช่นเดียวกันครับ ผมอยากจะให้เรามีการได้รู้ถึง10ความตั้งใจในปีใหม่นะครับหรือ New Year Resolution ที่พวกองก่อศักดิ์หรือท่านศิริบาลนะได้พูดถึงเมื่อเช้านี้นะครับว่ามีความตั้งใจใหม่หรือ New Year Resolution เนี่ยประมาณ10อย่างนะครับที่ผู้คนล้มเหลว อ, อย่างไม่เป็นท่าเลยนะครับผมจะบอกให้ฟัง10อย่างนี้นะครับโดยไล่มาจากลำดับ ล่างก่อนก็คือลำดับที่10นะครับก็คือความตั้งใจที่จะดื่มให้น้อยลงนะครับคนล้มเหลวเป็นท่าครับลำดับที่9คือตั้งใจที่จะทําทงานอาสาสมัครและมีโอกาสได้ทํานะครับลำดับที่8คือตั้งใจที่จะเครียดให้น้อยลงนะครับและไม่ไปประสบผลสลําเร็จนะครับและลำดับที่7คือการเที่ยวตั้งใจที่จะเที่ยวในที่ใหม่และไม่ได้ทำนะครับลำดับที่6คือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนนะครับและล้มเหลวนะครับลำดับที่5คือ ลดหนี้และเพิ่มเงินเก็บนะครับลดับที่4คือกินอย่างเฮลตี้หรือลดอาหารนะครับแต่ทำไม่ได้นะครับลดับที่3คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแต่ไม่ได้ทำนะครับลดับที่2คือการเลือกสูบบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลือกได้และที่สำคัญที่สุดลาดับที่1ครับอย่างที่เมื่อกี้ผู้ปกครองโอคกได้พูดไปครับคือมีความตั้งใจมากเลยที่จะลดน้ำหนักนะครับหรือฟิตหุ่นนะครับแต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า สิบลำดับนี้นะครับจัดโดยนิตยสารไทม์นะครับมีการได้นําสิ่งต่างๆเหล่หน า, นานี้มาพูดนะเช่นเดียวกันครับพอมาถึงปีใหม่หลายคนก็เลยนึกคิดว่าต้องตั้งใจใหม่นะครับไม่ว่าสิ่งที่ผ่านพ้นมาเนี่ยจะล้มเหลวนะครับหรือจะสําเร็จก็ตามแต่ปีนี้เราต้องมาไขคค้ควนดูว่าเราอยากจะให้เป็นเหมือนเดิมเหมือนปี2017ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเพราะเปาโลเขียนไว้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่3นะครับข้อ1 4บสถึงสินะครับ เป็นสิ่งข้อ7ถึงข้อ14ครับขอโทษเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาและนํามาใช้ปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเรานะครับท่านพูดว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ไร้ประโยชน์แล้วนะครับในข้อ7อะไรคือสิ่งที่เปาโลบอกว่าเป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์นะครับสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์ของชีวิตของอาจารย์เปาโลคือความภาคภูมิใจที่ท่านได้เข้าสุนัตใช่ไหมครับเป็นคนยิวเป็นเผ่าเบนเยมินนะครับเป็นชาวฮีบรูแท้ สังกัดคณะฟาริสีที่แข่งขัดนะครับแสดงออกถึงความเชื่อมั่นศรัทธาด้วยการเข็บข่มเหงสริสเตียนนะครับและที่สําคัญคือมีชีวิตที่ไม่มีทิฏฐินะครับแต่สิ่งต่นางๆเหล่านี้ดูเหมือนเป็นความสําเร็จของเปาโลแต่ทําไมท่านถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไร้ประโยชน์นะไม่ต้องการพึ่งพาอีกนะครับเพราะท่านเห็นแก่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับท่านใช้คําพูดบอกว่าที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะชีวิตท่านได้อยู่ในพระเยซูนะครับหมายถึงว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะมาปรากฏเป็นครั้งที่สองเนี่ยท่านไม่ต้องได้รับความอับอายแล้วนะครับเหตุเพราะว่าความชอบท่านความชอบธรรมที่ท่านมีในความเชื่อนะครับดังนั้นความตั้งใจของเปาโลก็คือฟิลิปปีบทที่3ามข้อสิที่เมื่อกี้เราได้อ่านไปนะครับผมจึงอยากจะนําเสนอ ความตั้งใจของเปาโลนี้นะครับที่จะเป็นความตั้งใจของเราในปีใหม่นี้ปี2018นี้นะครับเราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเพื่อให้ New Year Resolution ของเราเนี่ยครับเป็นจริงสักทีนะครับในหัวข้อปีใหม่กับความตั้งใจใหม่นะครับจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ามข้อสินี้แต่ก่อนที่เราทั้งหลายจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับรผมขอให้เราร่วมใจกับอธิษฐานอีกครั้งหนึง่งพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับอีกบ่ายวันหนึ่ง ที่ผ่านผลปีใหม่มาบัดมางแต่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดนําพาเราให้มีโอกาสได้มานมัสการพระองค์อย่างพระวิหารของพระองค์แห่งนี้และในบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันที่เราจะขอพึ่งพาพระคุณความรักของพระองค์ที่จะเรียนรู้ถึงพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเหมาะสมกับตัวเราเพื่อที่สิ่งที่เราเรียนรู้จะไม่ยากจนเกินไป และเราจะสามารถนำไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อที่ในปีใหม่นี้เราจะสำเร็จตามที่เราได้มุ่งหวังไว้จึงขอพึ่งพาพระคุณความรักของพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกลับทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนปีใหม่กับความตั้งใจใหม่นะครับความตั้งใจประการแรกต้องการจะรู้จักกับพระเจ้าหรือต้องการจะรู้จักกับพระองค์นะครับเพราะใน ข้อสินะครับเราเรียนรู้ในพัมพีธข้อเดียวนะครับคือข้อสิบนะครับข้อสิบประโยคแรกเนี่ยบอกเราชัดเจนเลยบอกว่าเปาโลกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์นะครับผมจะให้มีโอกาสได้ดูรูปบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับดูไปทีละท่านนะครับแล้วท่านตอบเองในใจเลยนะครับว่าท่านรู้จักหรือเปล่านะครับบุคคลแรกบุคคลที่สองครับบุคลบคลที่สามบุคคลที่สี่บุคคลที่ห้า บุคคลที่6บุคคลที่7บุคคลที่8บุคคลที่9บุคคลที่สิบุคคลที่สิบเอบุคคลที่สิบสองสและสุดท้ายและไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนนะครับเปาโลบอกเราทั้งหลายในฟิลิปปีบทที่3ข้อ10บครับบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ทําไมท่านยัง ต้องการจะรู้จักพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าทางนั้นที่ท่านรู้จักกับพระองค์มาแล้วนะครับเพราะในกิจการบทที่9ข้อ4ข้อ5บอกเราไว้อย่างชัดเจนว่าเซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่าเซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมเซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระเยซูตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงแปลว่าเปาโลรู้จักพระเยซูแล้วอย่างชัดเจน แมว่าเปาโลจะรู้จักและรับใช้พระเยซูคริสต์มาหลายปีแล้วนะครับแต่ท่านยังปรารถนาที่จะรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นทุกวันนะครับทำไมท่านต้องการจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นทุกวันนะเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับในข้อ8บอกเราชัดเจนเช่นเดียวกันบอกว่าเพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าวเจ้าจะได้ประคิดการที่คนคนหนึ่งนะครับจะบอกว่าต้องการรู้จักพระเยซูคริสต์ยอมสละสิ่งสารพัดซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเน่เป็นเหมือนอยากเยื่อหรือไม่มีความสำคัญสาหรับตัวเองแล้วเนี่ยน่าคิดครับไม่เพียงแต่เปาโลนะครับ หลายคนนะครับในบุคคลในภาคพีนะครับที่มีโอกาสมาเจอพระเยซูนะครับแ ล, และทิ้งสิ่งของมีค่าสิ่งของหลายๆอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดนะครับคือซักเคียสครับซักเคียสยอมเสียเงินทองนะครับสหรือหเท่าหลังจากที่มามีการได้มาเจอพระเยซูครับแล้วยังมีอีกหลายต่อหลายคนครับแต่บุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็คือคนที่เมื่อมาเจอพระเยซูแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่มีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเปาโลจึงตระหนักว่าการมารู้จักกับพระเยซูคริสต์เนี่ยมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดนะครับและการรู้จักในที่นี้นะครับไม่ได้เป็นการรู้จักเหมือนกับที่เช่นที่พี่น้องรู้จักบุคคลในภาพที่ผมถามเนี่ยนะครับคงไม่ใช่รู้จักแบบนั้นครับท่านอาจจะตอบว่ารู้จักอาจจะเคยเห็นหน้าทาตารู้จักชื่อรู้จักอะไรบางอย่างนะครับแต่นั้นคือการรู้เรื่องอย่างผิวเผินนะครับแต่รู้จักในที่นี้นะครับหมายถึงความสนิทสนมนะครับ เปาโลจึงไม่เพียงแต่รู้เรื่องพระเยซูคริสต์นะครับแต่ท่านต้องการรู้จักพระองค์ต้องการสนิทสนมกับพระองค์มากกว่าที่เป็นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเปาโลซาบซึ้งในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำในชีวิตของท่านนะครับเปาโลไม่เคยลืมแก่นแท้ของสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและต้องการให้ท่านทำนะครับท่านจึงจดจ่อความสัมพันธ์นี้นะครับเปาโลจึงมีชีวิตที่เหมือนกับ ทำทุกอย่างเรียนแบบชีวิตพระเยซูเลยครับเท่าที่เราเห็นนะครับนะครับถ้าท่านมีโอกาสได้ลึกกลับไปนะครับเปาโลนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับสิ่งต่างๆเนี้ยล้วนแล้วแต่ตอบสนองชีวิตที่ท่านตอบสนองมาเนี้ยเรียนแบบพระเยซูล้วนๆเลยนะครับนะครับเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี่บ่ายวันนี้นะครับเราต่างรู้จักพระเจ้ามาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเช่นเดียวกับที่เรารู้จักบุคคลในรูปที่ผมนํามาถาม รู้พอดบุคคลที่ผมนํามาถามเนี่ยเป็นบุคคลเขาเรียกว่าบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในโลกสาขาต่างๆ5สาขานะครับนะครับก็คือผู้บุกผู้บุกเบิกในวงการต่างๆผู้ที่มีพลังขับเคลื่อนศิลปินผู้นําที่ทรงอิทธิพลหรือผู้ที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับซึ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้ครับคนไหนที่เราเห็นหน้าเราคุณหน้าคุณตานะครับแปลว่าเราสนใจ หรือว่าเราอาจจะอยู่ในแวดวงนี้นะครับหรือเราอาจจะติดตามข่าวของบุคค ล, ลต่างเหล่านี้เช่นเดียวกันบุคคลรูปสุดท้ายรูปที่สิเป็นพระเยซูรูปพระเยซูล่ะครับเป็นบุคคลที่เราน่าจะนึกภาพได้ออกมากที่สุดนะครับเพราะเราเรียนรู้มาสัปดาห์แล้วสัปดาห์แล้วเรียนรู้ในแต่ละวันด้วยตัวเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมถึงบอกว่าเวลาเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเนี่ยเรารู้มีที่มาที่ไปแตกต่างกันไป บ, บางคนเกิดในครอบครวัวคริสเตียนเหมือนกับผมนี่นะครับรู้จักพระเจ้าตั้งแต่จําความได้นะครับบางคนมารู้จักพระเจ้าเนื่องจากประสบวิกฤตการในชีวิตนะครับบางคนอาจจะรู้จักพระเจ้าเพราะว่าคนที่แนะนําให้รู้จักพระเจ้าเนี่ยมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับมีหลายรูปแบบครับแต่ตั้งแต่วันแรกที่เรามารู้จักพระเจ้าจนถึงวันนี้นะครับเรายังรู้จักพระองค์เหมือนกับวันแรกที่ผ่านมาหรือเปล่า หรือเราต้องการจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านทางการอธิษฐานผ่านทางการอ่อานพระคัมภีร์อย่างสม่ําเสมอเพื่อที่เราจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคําว่ารู้จักนะครับในรพระคัมภีร์เดิมนะครับโดยเฉพาะปฐมกาลบทที่4ข้อหนึ่งครับพูดถึงเมื่อชายผู้แรกชายคนแรกก็คืออาดัมนะครับมีเพศสัมพันธ์กับเอวา บอกว่าเป็นคําเดียวกันเลยครับรู้จักคํานี้นะครับเป็นคําเดียวกันครับผมก็เลยอยากจะแนะนําให้เรามีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าองค์นี้นะครับที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับหลังจากที่อาดัมเอวาล้มลงในความบาปนะครับพระเจ้าออกตามหาครับอาดัมเอวาไปหลบซ่อนตัวนะครับพระเจ้าตามหาครับม่เพียงเช่นนั้นครับพอมาถึงพระมปี์ใหม่พระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูมาบังเกิดพระเยซูมาตามหาคนบาปนะครับพระเยซูตามหาคนบาป เห็นชัดๆเลยครับแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้พระองค์ยังทรงตามหาเราและต้องการที่จะให้เรามีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับปีใหม่นี้ถ้าเราต้องการจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเราก็ต้องจัดเวลาครับต้องจัดเวลาเลยครับจัดเวลาในการเฝ้าเดียวจัดเวลาในการอธิษฐานจัดเวลาในการอ่านพระคัมภีร์นะครับดังนั้นนะครับปีใหม่นี้ความตั้งใจใหม่ของเราคือประการแรก ต้องการรู้จักพระองค์มากขึ้นประการที่สองครับต้องการมีประสบการณ์กับพระองค์นะครับในข้อ10นะครับข้อ10ในประโยคที่สองเนี่ยเขาบอกว่าและได้รับประสบการณ์ในฤทธเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นเปาโลต้องการมีประสบการณ์กับพระเยซูนะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับที่ท่านต้องการรู้จักกับพระองค์นะครับ ที่กล่าวที่บอกว่าอย่างนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าท่านจะไม่รู้จักหรือไม่มีประสบการณ์นะครับเพราะเปาโลเนี่ยผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโช่นะครับประสบการณ์ในความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะครับนะครัเพราะตอนที่ท่านผมยกยกเรื่องให้อาจจะเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้ท่านพอจะจํากันได้นะครับตอนที่กษัตริย์เฮโรดอาคริปปาที่2องนะครับให้ให้เปาโลเนี่ยมีโอกาสได้แก้ข้อกล่าวหา เปาโลได้สวยโอกาสนี้ครับพูดยืดยาวเลยครับถ้าไปดูในกิจการบทที่26นะครับเปาโลจะพูดเลยเล่าประสบการณ์ที่ท่านมีการได้พบพระเยซูคริสต์นะครับไล่มาไม่เพียงแต่บอกเรื่องราวแห่งความจริงแค่นั้นนะครับแต่เปาโลยังเป็นพยานอย่างละเอียดเลยนะครับเปาโลเป็นพยานอย่างละเอียดเลยว่าพระเยซูอ่ะทำอะไรกับชีวิตท่านบ้างนะครับบอกล่ายาวเลยนะครับนะครับนะครับพระองค์ตายเพื่อท่านนะครับช่วยเหลือท่านมาอยู่ในภัยอันตรายนะครับ ฟังท่านเมื่อท่านอธิษฐานยกโทษให้ท่านเมื่อท่านสารภาพนะครับเลือกใช้ท่านแม้เป็นคนบาปอวยพรท่านแม้ท่านไม่ได้เรียกร้องนะครับสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้ครับเป็นที่จดจําของเปาโลดังนั้นครับเปาโลจึงมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับพระเยซูนะครับและเปาโลก็ยังคงต้องการมีประสบการณ์เนี้ยกับพระองค์นะครับโดยเฉพาะเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ในฤทธิดเดชในการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับ ในสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเห็นเราหลายๆคนนะครับคริสเตียนหลายคนต้องการแสวงหาเขาเรียกว่าแสวงหาประสบการณ์ในเรื่องนี้ยครับในเรื่องฤทธิ์แดดต่างๆนะครับขอพระเจ้าช่วยผมและพี่น้องนะครับที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เรากําลังแสวงหาเนี้ยมาจากพระเจ้าหรือไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับเพื่อที่เราจะไม่หลงไปนะครับเพื่อที่เราจะไม่ตกลไปเพราะสิ่งที่เปาโลต้องการฤทธิ์แดดประสบการณ์ในฤทธิ์แดดที่นี้นะครับเพื่อชีวิตของท่านน่ย จะสำแดงพระสิริของพระเจ้ามันแตกต่างกันครับมันแตกต่างต่างกันนะครับเปาโลต้องการที่จะมีประสบการณ์เนี้ยที่พระเยซูปเป็นขึ้นมาพระองค์ไม่ได้เออเปาโลเนี่ยไม่ต้องไม่ใช่ต้องการจะมีเออเป็นขึ้นมาเหมือนเหนือธรรมชาติเหมือนที่พระเยซูปเป็นแต่พระองค์ต้องการให้มีฤทธิ์เดชเนี้ยในชีวิตท่านเหมือนพระเยซูสถิตในท่านนะเพื่อที่คนอื่นจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านนะครับนะจุดนี้เองครับ ในโลมบทที่6ข้อ4จึงบอกเราว่าเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วเพื่อว่าเมื่อพระคริสได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระศิลิของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเป็นการแสดงว่าเปาโลบอกไว้อย่างชัดเจนว่าชีวิตเก่าของท่านจบสิ้นแล้วและจะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ไปกับพระคริสนะครับเปาโลจึงต้องการรู้จักพระเยซูคริสมากขึ้น โทนี่วักเนอร์ครับโทนี video, ่วัเนอร์เป็นนักการศึกษาแล้วก็เป็นนักเขียนนะครับนักเขียนหนังสือที่ขายดีครับเขาเป็นคนที่เชื่อว่านวัตกรรมก้าวกระโดดนะครับเขาเชื่อมั่นในเรื่องนวัตกรรมก้าวกระโดดนะครับเพราะว่านวัตกรรมนี้นะครับสามารถเปลี่ยนวิธีการคิดและการทํางานของโลกนะครับท่านจึงเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งนะครับเล่มหนึ่งชื่อการสร้างนวัตกรนะครับหรือการสร้างคนหนุ่มสาวครับผู้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ โดยมีตอนหนึ่งนะครับท่านกล่าวไว้ว่านวัตรกรรมเกิดขึ้นได้ในทุกๆด้านของความอุตสาหะของมนุษย์และคนส่วนใหญ่จะสร้างสารรค์และคิดค้นนวัตรกรรมได้มากขึ้นหากได้รับโอกาสและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นเดียวกันครับเปาโลก็เป็นนวัตรกรเหมือนกันเป็นนวัตรกรในสมัยสตรวตรรษแรกนะครับท่านเดินทางไปทั่วแคว้นเอเชียนะครับเพื่อที่จะบอกผู้คนว่า พวกเขานะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะถ้ามารู้จักกับพระเยซูมาเชื่อพระเยซูชีวิตเขาจะได้เปลี่ยนนะครับและเปาโลถึงได้บอกออกมาในโรมบทที่ 12: ข้อ 2, บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปาโลพยายามจะบอกผู้คนในสมัยนั้นครับว่าอย่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับให้ดาเนินชีวิตโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง นะครับนะครับพโลกนะครับโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปตั้งแต่สมัยเปลี่ยนไปมากเลยครับเรียกว่าเปลี่ยนไปมากตั้งแต่สมัยยุคสมัยของเปาโลนะครับนะครับจนมาถึงสมัยนี้นะครับผู้คนก็ยังต้องการฤทิเดทของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามีความคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกับที่ New Year s Resolution นะครับตั้งใจแล้วตั้งใจอีกยังทำไม่ได้ครับก็เลยอยากจะพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าบ่ายวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้พระชนะในตอนนี้เพื่อที่เราจะสามารถเหมือนเป็นจุดเริ่มนะครับไม่ก็เริ่มให้ถูกครับเริ่มให้ถูกถ้าเราเดําเนินตามชีวิตตามนี้นะครับรู้จักกับพระเจ้าให้แน่นแฟนก่อนนะครับและมีประสบการณ์กับพระองค์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีขั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆตามมานะครับเพราะว่า ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่อย่างน้อยเราเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีชีวิตที่รู้จักพระเยซูมากขึ้นมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นเนี่ยนะครับพระองค์จะสามารถช่วยเราได้นะครับพระองค์จะสามารถช่วยเราได้และประสบการณ์ที่เราเรียนรู้จากเปาโลเนี่ยจะสามารถเป็นจริงได้ในชีวิตเรานะครับริกวอลเรียนครับริกวอเรนได้บอกว่าเราต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยความเชื่อของเราเองนะครับเราต้องการต้องเริ่มต้นจากการเชื่อและวางใจพระเจ้าก่อน เพื่อที่เราจะมีประสบการณ์แห่งความเชื่อนี้นะครับและในที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าของเราอ่ะยิ่งใหญ่นะครับเมื่อเรามีประสบการณ์ครั้งแรกเราก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่สต่อไปนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับก็คงจะต้องมีจุดเริ่มแบบนี้ครับนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะมีพิธีบัพติศมาเด็กนะผมก็เลยอยากให้เรามีโอกาสได้ดูรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์เริ่มแรกนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่ที่มีลูกนะครับทุกคนที่มีลูกนะครับมีลูกคนแรกเลยเพราะลูกคนแรกเนะี่ยจะนึกออกว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เป็นยังไงเหมือนกับที่เขาถ่ายทอดลงไปยังลูกนะครับเหมือนภาพนี้ที่เราเห็นนะครับผมเชื่อว่าเวลามีเด็กคลอดออกมาใหม่นะครับพ่อแม่จะคอยประครบประงมคอยที่จะจ้องดูตลอดเวลาลูกหลับพ่อแม่ก็ยังจ้องอยู่ครับ ลูกตื่นพราแม่ยิ้มจ้องเอาไปใหญ่เลยครับนะครับคือเป็นภาพให้เราเห็นว่าพอเหมือนกับที่ผมเคยฟังมานะครับคือพอลูกยิ้มนะครับพ่อแม่ก็จะยิ้มครับยิ้มพอลูกเห็นพ่อแม่ยิ้มนะครับลูกก็จะยิ้มกว้างขึ้นยิ้มมากขึ้นพ่อแม่เห็นลูกยิ้มพ่อแม่ก็จะยิ่งยิ้มเข้าไปใหญ่นะครับมันเป็นภาพประสบการณ์แห่งความสัมพันธ์ความรักนี่นะครับนี่ครับเป็นภาพที่เห็นชัดเจนนะครับนะครับเป็นภาพ ภาพเห็นชัดเจนแล้วเราจะสามารถมีประสบการณ์นี้เช่นเดียวกันครับกับพระเจ้าที่รักเรานะครับดังนั้นนะปีใหม่นี้นะครับขอให้เรามีความตั้งใจใหม่ครับอย่างแรกต้องการรู้จักพระองค์มากขึ้นอย่างที่สองต้องการมีประสบการณ์กับพระองค์และประการที่3ครับต้องการร่วมทุกขกับพระองค์ครับเพราะในข้อ10เนี่ยนะครับในประโยคสุดท้ายบอกเราว่าและร่วมทุกขกับพระองค์ ค, คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์เมื่อได้ยินประโยคที่ว่า ต้องการร่วมทุกกับพระองค์และร่วมทุกขกับพระองค์เนี่ยครับหลายต่อหลายคนครับจะเดินหนีไปเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรครตามที่เป็นเรื่องทุกข์ทุกเนี่ยนะครับคนก็จะเดินหนีครับคนส่วนใหญ่จะเดินหนีครับแต่ทําไมครับอาจารย์เปาโลถึงต้องการที่จะร่วมทุกขกับพระเยซูนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์นะครับทรงทนทุกข์นะครับและในสุดแล้วพระองค์ก็ได้รับเกียรติสูงสุดนะครับเ <'m> ช่นเดีวยวกันครับการที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับ เราต้องกล้าที่จะรับประสบการณ์ในการทนทุกข์ของพระองค์กร น, นะครับและประสบการณ์นี้นครับจะทําให้เราได้เห็นฤทธิดเดชของพระเจ้าแล้วก็จะเห็นพระคุณของพระเจ้าตามมานะครับเราเพิ่งผ่านการเฉลิมฉลองนะครับการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์มาไม่นานนี้ครับนะครับเนะพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับเดือนหน้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับ โดยเฉพาะวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์ครับจะเป็นวันแรกของเทศกาลเลนหรือเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะครับเพราะว่าอีสเตอร์นะครับเทศกาลเข้าสู่ธรรมเนี่ยจะขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ดูเหมือนใกล้พึ่งเฉลิมฉลองคริสรต์มาสไปย ก, ยกเดี๋ยวจะต้องมีอีสเตอร์อีกนะครับจะราให้เราเห็นนั้นลนเนื่องจากวันพุธรับเท่านะครับ ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์พอดีนะครับเราจึงจัดให้เป็นการนมัการพุทธลับเท่าเพื่อการประกาศหรื อ, อวาเลนทายนะครับว่าเลนทายนะครับจะจัดเป็นการนัดมัธพุทธลับเท่าเพื่อการประกาศนะครับแล้ววันนี้เองครับจะเป็นจุดเริ่มของเราที่จะต้องมาไข้ควรชีวิต หลังจากที่เพิ่งเฉลิมฉลองเพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่นานและเดือนกุมภาพัานธ <an> ์ย <D> ัเป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะครับทุกคนกําลังแต่ในที่สุดก็ต้องกลั บ, ลบมาคิดต้องกลับมาไข้ครวนนะครับโดยเฉพาะเราต้องกลับมาไข่ครวนถึงชีวิตเราที่สําคัญที่สุดคือมาเรียนรู้บทเรียนในการทนทุกข์ของพระเยซูนะครับจะต้องกลับมาถึงภาพนี้ครับในที่สุดนะเพราะเปโตรนะครับเตือนใจเรานะครับถึงการทนทุกข์ของพระเยซูในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ21ว่า เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสําหรับเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคริดก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ไม่ว่าความทุกข์ใด น, นะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับให้เราคิดอยู่เสมอครับให้เราเรียนรู้อยู่เสมอถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับที่เราเป็นผู้ก่อเองนะครับขอพระเจ้ายกโทษให้เราถ้าเป็นความทุกข์เพราะว่าเรา ทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนสิ่งที่เรียนแบบพระเยซูนะครับพระเจ้าจะมีหนทางให้เราผ่านพ้นความทุกข์นั้นไปได้และพระองค์จะมีบทเรียนสอนเราเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการร่วมทุกข์กับพระเยซูคริสต์นะครับคือการร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์อีกแบบหนึ่งนะครับเราทุกคนครับต้องเผชิญทุกข์แน่นอ น, นครับในรูปแบบที่แตกต่างกัน รเราอาจจะไม่ต้องทนทุกข์เหมือนกับคนที่เขาถูกข่มเหงในประเทศที่ไม่ยอมรับคริสเตียนนะครับและความทุกข์ของเราก็อาจจะไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าความทุกขออาา์ของอาจารย์เปาโลนะครับถ้าเรามีโอกาสได้อ่านใน2โครินเบอรที่สิบเอ็ดข้อยี่สนะครับถึง27นะครับความทุกข์ของอาจารย์เปาโลนี้เยอะแยะมากนะครับถ้า ผมพูดคร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกทุบตีถูกหินขว้างเรือแตกถูกจนทำร้ายต้องหิวกระหายอะไรเนรี่ยแต่จริงๆนะมีะรายละเอียดเยอะกว่านั้นอีกนะครับถ้าอ่านดูแล้วเนี่ยเปาโลก็ยังผ่านตรงนั้นมาได้นะครับและไม่เพียงเท่านั้นครับท่านไม่ได้อยากจะหนียกไปจากความทุกข์นี้นครับในสุดแล้วท่านมาเห็นแบบอย่างจุดหนึ่งก็คือว่าการที่พระเยซูยอมตั้งอารมณ์ตายนะครับยอมตั้งอารมณ์ตายเนี่ยทำให้เปาโลเนี่ยคุ้นคลิดเลยระดับ คิดได้เลยว่ายังไงก็ตามยังอยากจะมีชีวิตแบบนี้อยู่นะครับเพราะเป็นชีวิตที่ตอบสนองตอบพระคุณของพระเจ้านะครับยอมตั้งอารมณ์ตายในภาษาเกลีกนะครับแปลตรงตัวว่าถูกทําให้เหมือนตอนที่พระเยซูตายนะครับตอนพระเยซูถูกตรึงเนี่ยนะครับเป็นแบบนั้นเลยคือพระเยซูไม่คิดที่จะตอบโต้หลายอย่างนั่นนะครับแล้วในสุดแล้วนะครับเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะเราเนี่ยไปลูกสิทธิ์ลูกหาพระเยซูครับเดินทางนี้แล้วเรา จะต้องมีวันหนึ่งครับที่เราจะต้องทําแบบนั้นแล้วเราจะทําได้ครับผมเชื่ อ, อางานนะครับเราจะทําได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทำํำถ้าเราจะพึ่งพาพระเจ้านะครับผมรู้ครับว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีอารมณ์โกรธเกลียดพอใจไม่พอใจนะครับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแต่เมื่อเรามีโอกาสได้อดทนนะครับต่อการเอารัดเอาเปรียบอดทนต่อการเยาะเยะ้ยทนต่อการข่มเหงทนต่อการด่าว่าหรือข่มขู่ โดยเฉพาะการที่เราไม่เราจะปฏิเสธหรือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับเราจะต้องฝึกครับเราจะต้องฝึกเหมือนก็ฝึกความอดท น, นครับฝึกที่จะไม่ตอบโต้ฝึกที่จะให้อภัยนะครับอธิษฐานเผื่อเขาครับเพราะนพพรหมพีสอนไว้อย่างชัดเจนว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีดังนั้นนะครับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่เราเรียนรู้จากพระเยซูจากเปาโลนะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าการฝึกการตั้งอารมณ์ตายนะครับถ้าเราเอาชนะอารมณ์ตัวเองได้เมื่อผมเตรียมมาถึงตอนนี้นะครับระหว่างผมเตรียมในครอบครัวนะครับผมก็จะแม่หรืน้องพ่อหรือภรรยาผมเนี่ยก็จะหันมาบอกผมเลยว่าผมก็เช่นเดียวกันนะผมต้องตั้งอารมณ์ตายให้ได้ในยามที่ขับรถ เช่นครับเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีจุดอ่อนนะครับมีจุดอ่อนครับเมื่อจุดอ่อนไหนก็ตามที่เรามีนะครับมาสาตานก็จะใช้ช่องนั้นนะครับที่จะพยายามกระตุ้นเราพยายามให้เกิดสิ่งนี้กับเราเกิดนี้เราเราจะสามารถเอาชนะได้นะครับถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าให้มากนะครับการไปถึงอารมณ์ตายนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับในที่สุดแล้วทุกคนเราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับปีใหม่นี้นะครับขอให้เรามีความตั้งใจที่จะเราสามารถจะตั้งอารมณ์ตายได้ครับมีความอดทนเหมือที่เปเยนซูอดทนนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะทําสิ่งนี้นะครับพระเจ้าก็จะทรงอนุญาตให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะสามารถทนตามทนขึ้นได้ตามลําดับนะครับจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยก่อนแล้วก็จะมาแล้วเราจะหันกลับมามองดูว่า มันผ่านมาได้ยังไงแล้วเราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้นะครับและชีวิตเราจะสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นพระพอรให้กับคนอื่นได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะสรุปจากบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ติดตามเพลงของตูน Body Slam นะครับคงจำได้ครับผมผมมีความสงสัยว่าทาไมจุดแรกเลยอย่างเพลงแรกก็คือเพลงเรือเล็กออกจากฝั่งผมสงสัยว่าทำไมเพลง เวลามีการพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาบอกว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งทำไมตูนบุนดี้สแลมถึงแต่งเพลงเรือเล็กออกจากฝั่งในสุดก็มาพอเหตุการณ์ผ่านไปก็มารับรู้ได้ว่าเป็นความคิดของเขาเป็นเจตนาล ม, มีความตั้งใจของเขาตั้งแต่สมัยเป็นสจวร์ตนะครับแล้วเขาก็เลิกการเป็นสจวตมาร้องเพลงนะครับนะครับคือเหมือนกับว่าเลิกทาในสิ่งที่ไปทาในสิ่งที่เรนชอบ แล้วองทำให้จบนิสิตมาก็ไม่ได้ใช้เลยรนะคือเขาเรื่องในชีวิตในทางเดินของเขาครับจนมาถึงเพลงแสงสุดท้ายเนี่ยที่เป็นที่ฮิตเนี่ยครับเพลงแสงสุดท้ายเนี่ยพยายามพูดเป็นเพลงที่พูดถึงคนคนหนึน่งนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยครับอุปสรรคที่แบบว่าคือพอฟังเพลงแล้วดูเนื้อจริงๆนะครับจะรู้เลยว่าจะมีคนที่เขายังจะฟันฝ่าอย่างนี้อยู่เหรอในที่สุดก็มาบรรลุ มาเห็นจากการวิ่งจากเบตงนะครับไปถึงแม่สายนะครับแล้วคิดดูครับว่าระหว่างที่วิ่งไปนะครับคือมีทั้งคนที่โจมตีนะครับคนที่มีโจมตีก็เยอะนะครับคือแต่สิ่งที่เขาสแสดงออกมาให้เห็นสม่ำเสมอใน55วันนีนะครับคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเข้ากับคนได้ทุกรูปแบบไม่ตอบโต้ สื่อที่ออกมาว่าอะไรเนี่ยเขาไม่ตอบโตนะ้จนถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเลขาธิการของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับจะมอบประกาศเสียบัติให้นะครับเขาตอบว่าเขาไม่สมควรที่จะได้รับนะครับเพราะเขาเป็นแค่สะพานนะครับเขาไม่ใช่เป็นคนที่ ถวายหรือให้เงินหรือบริจาคเงินนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งสะท้อนให้เราเห็นว่าเราทั้งหลายเช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะเป็นสะพานนําคนมารู้จักกับพระเจ้านําคนมารู้จักกับพระเยซูนะครับถ้าเรานําพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ไปใช้ครับให้ความตั้งใจใหม่ของเราในปีใหม่นี้นะครับปีใหม่นี้ความตั้งใจใหม่ของเราคือการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับการมีประสบการณ์กับพระองค์นะครับ แล้ว ก, การร่วมทุกข์กับพระองค์ก็คื อ, อการยอมตั้งอารมณ์ตายนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านที่จะสามารถนำพระเจนะของพระเจ้าไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อจะสามารถเป็นสะพานนำคนมารู้จักกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ